เรียนมหาวิทยาลัยทั้งหลายก็ปิดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้หรือการศึกษาของผู้คนจะต้องหยุดพักหรือว่ายุติไปไปด้วยการเรียนรู้หรือการศึกษามันเป็นสิ่งที่ท่องทํทำไปตลอดปิดเทอมแล้วนะ ก็ยังเราก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะนึกถึงการเรียนรู้การศึกษาก็นึกแต่เรื่องการศึกษาทางโลกปิดเทอมแล้วก็จะไปเรียนซัมเมอร์ต่อนะเพื่อมีความรู้มีวิชาการทางโลกให้มากขึ้น ส่วนหนึ่งก็คิดว่าเพื่อได้แข่งขันกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าการศึกษาที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาทางธรรมนะพวกเราหลายคนในที่นี้ที่เป็นนักศึกษาก็มีที่เป็นครูก็มีเป็นอาจารย์ก็มนะีได้ใช้เวลาช่วงนี้สาหรับ การมาศึกษาการมาเรียนรู้ในทางธรรมการศึกษาทางโลกการศึกษาทางธรรมมันต่างกันอย่างไรนะก็จะเปรียบเทียบง่า ย, ายว่าสมมติว่าเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้นี่ก็มีทั้งลำต้นใบกิ่งดอก แต่นั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือว่ารากนะการศึกษาทั้งโลกก็คล้ายกับการที่เข้าไปเป็นเครื่องช่วยให้ลำต้นมันเติบโตทั้งขยายตัวทั้งสูงขึ้นสูงขึ้น มีกิ่งใบดอกนะให้ผลผลิตที่เอาไปขายได้อากาศาทางโลกเนี่ยก็ก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะมีฐานะการงานนะที่สูงเด่น แล้วมีความสำเร็จนะที่สามารถจะวัดหรือแปลเป็นเม็ดเงินได้ก็มีความเชื่อว่ายิ่งมีควา ม, ย, ม, วามยิ่งมีการศึกษาสูงเท่าไหร่นะก็ยิ่งมีเงินเดือนนะมะีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นมีผลผลิตที่ มุทมูลค่าเป็นตัวเงินได้สูงขึ้นก็เป็นความเข้าใจอย่างนั้นส่วนการสาทางธรรมเนี่ยนะมันเน้นที่การทำให้รากของต้นไม้เนี่ยมันอย่างลึกยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ทำให้ต้นไม้นะั้นมีความมัน่นคงแข็งแรง แป้ว่าการศึกษาแป้ว่าต้นกับรากนี่มันไปคนละทางนะต้นมันทะยานขึ้นฟ้าส่วนร่างนี่มันก็อย่างลงดินแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดแย้งหรือเป็ น, เ ป, นเป็นปฏิปักษ์กันนะยิ่งมีรากที่อย่างลึกนะมันก็ช่วยทําให้ต้นไม้มีความมั่นคงแข็งแรง เ้วก็ทำให้ต้นไม้สามารถที่จะแผ่กิก่งก้านหรือว่าทะยานสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะการศึกษาทางธรรมนี่มันไม่ได้ขัดย้งกับการ ศ, าศึกษาทางโลกถึงว่าจุดเน้นจะไปคนละทางนะแต่มันก็ช่วยเสริมกัน มีการศึกษาทางโลกแต่ว่าการศึกษาทางธรรมไม่มีนะก็มันก็ต้นไม้ที่สูงเอาสูงเอาแต่ไม่มีรากนะรากมันตื้นถ้าไม่มีพายุก็แล้วไปนะแต่ถ้าวันดีคืนนีมีพายุมันก็สามารถที่จะสั้ากระนาให้โคนลงได้แล้วคงเห็นคนจานวนมากนะที่แม้จะมีความสเร็จทางโลก มีการศึกษาสูงนะแต่ว่าพอเจอพอเจอเหตุร้ายนะเช่นธุรกิจล้มเหลวนะถูกวันดีคืนดีก็ตกงานหางานทําไม่ได้หรือว่าเกิดเจ็บป่วย หรือว่าสูญเสียพัดพรากก็ทำใจไม่ได้เศร้าโศกเสียใจบางคนก็ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรค เ, เป็นโรคประสาทที่ฆ่าตัวตายก็มี เมื่อสักเดือนที่แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตที่ราบรื่นนะเพราะว่าการศึกษาดีความรู้ดีงานการก็ดีแล้วก็แถมยังได้สามีที่ดีสามีก็เป็นคนรักครอบครัวนะ เอาใจใส่นะทั้งภรรยาแล้วก็ลูกรู้จักพูดรู้จักรู้จักให้กำลังใจมีความอ่อนโยนชีวิตก็น่าจะมีความสุขได้แต่แล้ววันหนึ่งสามีก็เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมะเร็งก็รามเร็วมากแค่สักสี่ห้าเดือนแกก็เสียชีวิต ภรยาก็ทำใจไม่ได้โกรธแค้นหมอโกรธแค้นโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะยอมรับความสูญเสียของสามีได้ผ่านไปปีหนึ่งแล้วแกก็ยังทำอาหารเช้าให้สามีเอามาวางไว้บนโต๊ะ หน้าเก้าอี้ที่สามีเคยนั่งทุกวันแกก็โทรเข้าหาเบอร์ของสามีอยากจะฟังเสียงของสามีหรือว่าอาจจะคิดว่าอยากจะมีชีวิตเหมือนกับที่สามีเคยมีชีวิตอยู่ แกกไม่สนใจลูกนะลูกสาวก็ไม่ได้รับการสนใจเพราะว่าตัวแม่นี่คิดแต่สร้างภาพว่าสามียังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เป็นการเป็นเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถยอมรับความจริงของชีวิตได้ ก็เป็นตัวอย่างคนที่แม้จะประสบความสำเร็จทางโลกแต่ว่าพอเกิดเหตุพลิกผันขึ้นมาก็เสียศูนย์นะก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาสู่ความปกติได้เมื่อไหร่การศึกษาทางโลกนี่เน้นเรื่องนะความสาเร็จในงานการ การทำงานทำการดัดแปลงสิ่งต่างๆหาเงินหาทองให้มากขึ้นมีบ้านที่ใหญ่โตมีรถที่ขับสบายที่ใครๆเห็นแล้วก็อดอิจฉาไม่ได้ส่วนการสร้างทางธรรมเนี่ยนะมันมันเน้นที่ การทําให้เราเนี่ยรู้จักตนเองกาสศาทางโลกไปเน้นให้คนนี่รู้จักสิ่งรอบตัวมากมายไกลไปถึงจั ก, กรวาลแต่ว่าการศาทางธรรมนี่ยิ่งศึกษ า, าไปก็ทําให้เราเนะข้าใจตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้เรียกว่ามันทําให้จิตใจยัยงลึกลงไปนะจนเห็นความจริงด้านใน ไม่ใช่แค่เห็นเฉยๆแต่มีการพัฒนาชีวิตด้านไหนก็เป็นตัวที่ทําให้ชีวิตนี้มีความมั่นคงเป็นฐานที่สําคัญมากนะสําหรับชีวิตทางโลกคราวนี้เนี่ยการศึกษาทางธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าต้องมานั่งเข้าห้องเรียนนะ ที่เรามาที่นี่ก็สามารถจะ เ, เกิดการเรียนรูนะ้ในเรื่องตัวเองการสาทางธรรมเน้นที่ให้เราเหันกลับมาดูตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับการดาเนินชีวิตให้มีความสุขทัวนี้คนผู้คนเน้นแต่เรื่องการเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกเพื่อให้ถูกใจตัวเองหรือถึงกับสนองกิเลสของตัวเองแต่ว่าบ่อยครั้งก็ไม่ยอมรับความจริงว่า ให้สิ่งภายนอกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือผู้คนไม่สามารถที่จะเป็นไปดั่งใจได้บ่อยครั้งมันเป็นตรงข้ามคือว่ามันสวนทางกับความต้องการของเราเราอยากจะให้มันอยู่นานๆแต่ว่ามันกลับเสื่อมสลายไป เราอยากมันให้มีอยากให้มันมีความเติบโตแต่ว่ามันกลับหดตัวลงไปอยากให้อยู่แต่มันกลับไปอยากให้ไปแต่มันกลับอยู่นี่มันเป็นวิสัยของของโลกนะที่ไม่อยู่ในวิสัยของเราได้ที่เราจะควบคุมได้แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นทุกข์กับความเปลี่ยนแปลง ถ้าว่าเราสามารถที่จะทำใจของเราหรือว่าเรียนรู้ฝึกฝนจิตใจของเรานะเราก็จะสามารถที่จะอยู่ในโลกที้ได้มีความสุขตามกลางความผันผวนเปลีปล่ยนแปลงต่างๆวิสัยของผู้รู้ทางธรรมเนี่ยจะมุ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็ต้องเริ่มจากการที่หันมามองตน ไม่ใช่มองออไปนอกตัวหรือส่งจิตออกนอกในสาวุทธกาลมีเรื่องราวของสามเณรคนหนึ่งนะชื่อเป็นภาษาบาลีแต่แปล ง, ง่ายๆว่าสุนะสามเณรสุขสุขะนะสามเณรท่านนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเช้าวนันนึงก็เดินบิณฑบาต ด้วยกันระหว่างทางนี่ก็ผ่านผ่านทุ่งนาก็เห็นชาวนานี่เขากำลังทดน้ำกำลังไหน้ำเข้านากันตั้งแต่เช้าเลยพอเดินไปสักพักเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างไม้กำลังถากไม้เดินต่อไปอีกหน่อยก็เห็นช่างธนูกาลังดัดลูกศร ให้ภาพนี้ก็เป็นภาพที่เราอาจจะนึกว่าเป็นภาพธรรมดาสามัญเดินบินธบาทพรุ่งนี้นะก็อาจะเห็นภาพคล้ายๆแบบนี้นะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็มีชาวนาเขาทดน้าเข้านานะมันก็เป็นภาพที่จําเจสำหรับชนนําหมดแต่ว่าสามัญชนสุกนี่วันนั้นเนี่ยพอได้เห็นภาพนี้แล้วเนี่ยเกิดได้คิดขึ้นมา ที่จริงตอนแรกยังเกิดความสงสัยมากกว่าเกิดคำว่าเอ๊ะอยู่ในใจว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเช่นน้ำก็ดีเช่นไม้ก็ดีเนี่ยมันไม่มีชีวิตจิตใจแต่ก็สามารถที่จะดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ได้แล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจล่ะจะไม่สามารถดัดแปลงให เกิดความเจริญงอกงามได้ชฉยหรือถ้านะท่านมองภาพเหล่านี้เนี่ยภาพชาวบ้านทำมาหากินตามปกตินะแต่ว่ามองแล้วเนี่ยย้อนเข้ามาหาตัวเองอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตเลยนะเป็นวิสัยของผู้ที่ฝ่รู้ก็คือว่าเมื่อมองอะไรก็ตามประการแรคือไม่ได้มองแบบผ่านๆ น, นะแต่มองแล้วเนี่ยเกิดแง่คิดขึ้นมา และเป็นแง่คิดที่ไม่ได้เลื่อนลอยอะไรเป็นแง่ที่ที่ย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเออชาวนาเขาไถน้ำทดน้ำเข้านาช่างไม้เขาถากไม้ช่างธนูก็ดัดลูกศรและเราล่ะเราควรจะทำอะไรก็ได้คำตอบว่าเราก็ควรฝึกตนสิ ในได้ผลดีกว่าด้วยเพราะขนาดน้ำก็ดีสิ่งที่ไม่มีชีวิต จ, จิตใจก็ยังสามารถดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ได้แล้วเราซึ่งมีชีมีจิตใ จ, จนี่จะไม่สามารถจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ได้หรือชั่วขนะดนั่งท่านก็เกิดนะเกิดความตั้งใจนะที่จะฝึกฝนตนก็เลยขอ ภาษาลิบุตรว่าขอไม่ไปบินธบาะแล้วล่ะนะขอไม่ไปต่อขอกลับมากลับมาทําอะไรกลับมาบําเพ็ญสมาธิภาวนาที่วิหารก็บําเพ็ญขณะที่กําลังบําเพ็ญสมาธิภาวนาได้ได้ที่เนี่ยซึ่งคงเป็นชั่วโมงนะภาษาลิบุตรั้นก็กลับมาพระพุทธองค์เห็นก็เกรงว่าภาษาลิบุตร อาจจะไปขัดขวางการปฏิบัติธรรมของสามเณทนนี้ก็เลยเข้าไปขวางคือชวนคุยนะชวนคุยก็เป็นการนะเปิดช่องเปิดเวลาให้กับสามเณรสุขได้ภาวนาจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระรหรันตะ์อันนี้เป็นที่มาของคําคำตรายของพพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์นะที่ เป็นที่รู้จักกันก็คือว่าท่านพูดท่สั้นว่า น, นี่ชาวนาไหน้ําเข้านาช่างไม้ก็ถากไม้ช่างธนูก็ดัดลูกศรส่วนบัณฑิตฝึกตนนะบัณฑิตที่ฝึกตนไม่ได้ฝึกสิ่งอื่นชาวพวกช่างไม้ช่างธนูชาวนาหรือว่าช่างซ่อมรถนี่ ไปดัดแปลงสิ่งภายนอกไปจัดการสิ่งภายนอกแต่ตัณฑิตนี้จัดการที่ตัวเองคือฝึกตนนะการฝึกตนนี่แหละเรียกว่าเป็นการศึกษาทางธรรมนะซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนนะการฝึกตนกอย่างที่บอกไว้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราหมั่นหันมามองตนนะหันมารู้กายรู้ใจนะ ซึ่งก็ไม่ยังเป็นต้องมาทำเฉพาะเวลานั่งสมาธินะแต่ว่าการดาเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้การที่เรากลับมามองตนอยู่เสมอแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราใช้กิจการงานต่างๆเพื่อเป็นการฝึกจิตฝึกใจนะก็ทำได้แม้กระทั่งในระหว่างที่เราทำมาหากินทำอาชีพการงาน ก็สามารถจะใช้โอกาสเหล่านั้นในการฝึกตนได้ฉันฝึกให้มีความใจเย็นฝึกให้มีความอดทนหรือว่าฝึกให้มีสตินะแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องนะเกิดขึ้นด้วยการหันมามองตนนะอยู่เสมอเพราะถ้าเราไม่มองตนเผลอไปมองสิ่งภายนอกเวลามีอะไรกระทบใจเราไม่รู้นะ แล้วเราก็ปล่อยให้สิ่งที่เราปล่อยเกิดมีการปรุงแต่งขึ้นมาเช่นพอเกิดความไม่ชอบก็ปรุงออกมาจนกทังกลายเป็นความโกรธแล้วยิ่งถ้าขัดใจม า, มากก็กลายเป็นพยาบาทไอ้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ได้ไม่รู้ทันอารมณ์ของตัวเนื่องจากไม่หันมามองตนไปเพ่งอยู่ที่ภายนอกยิ่งโกรธแล้วก็ยิ่ง หมายมุ่งที่จะเล่นงานเขาหมายจะด่าเขาให้เจ็บแสบหมายจะทําร้ายเขานีมันก็เลยยิ่งเผอปล่อยให้กิให้ความโกรธเนี่ยนะลุกลามจนเผาจิตใจได้แล้วพอทุกข์แล้วนะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพราะตัวเองปล่อยให้ความโกรธความเกลียดมันเกิดขึ้น นะแต่ว่าหันไปโทษสิ่งนอกตัวนะแล้วก็เกิดการหมายทายนะําร้ายนะทุกวันนี้คนเราเนี่ยมองนอกตัวซีเยอะนะเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็มักจะโทษทั้งนอกนะแต่ว่าไม่ค่อยหันมาดูตัวเองเท่าไหร่ไปเห็นว่าความผิดพลาดนี่อยู่ที่คนอื่นนะตะพฤตตะพืพอนะทั้งที่บางที ความผิดพลาดนี่แะอยู่ที่ตัวเองก็มีเรื่องราว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะแกโทรไปหาหมอเป็นหมอที่เรียกว่าเรียกหมอประจำบ้านก็นแล้วกันนะเพราะว่าคุ้นเคยกันแกโทรไปหาหมอเพราะแกก็เลอาให้หมอฟังว่าหมอสงสัยเมียผมนี่นะทําไมหูตึงก็หูหนวกแล้วล่ะ อยากจะพาหมออยากจะพาเมียนี่มาหาหมอหน่อยหมอก็บอกว่าช่วงนี้ไม่ว่างมีอะไรคุยทางโทรศัพท์ได้ไหมนะแล้วหมอก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าเมียหูตึงหูหนวกนะแล้วก็ตอบว่าผมนะคุยกับเมียเรียกชื่อเมียก็ไม่เห็นเขาตอบเลยนะหมอก็เลยถามก็เลยถามว่างั้นเดี๋ยวขอเช็คอะไรได้ไห ว่าเขาตึงหรือเขาหูหนววแค่ไหนตอนนี้คุณอยู่ไหนผมอยู่ในห้องนอนแลวภรรยาคุณอยู่ไหนอยู่ในห้องครัวเอางั้นคุณลองตะโกนเรียกชื่อใชจเกก็เรียกสมทรงสมทรงสมทร ง, ทรงก็ไม่ไม่ได้ยินเสียงตอบก็เลยพูดกับหมอไปว่าไม่ได้ยินเสียงตอบเลยหมอเอางั้นคุณลองเดินเข้าไปใกล้หน่อยเดินไปที่หน้าห้องเลยนะ หน้าห้องนอนน่ะนะเราตะโกนเรียกชื่อแกก็เรียกสมทรงสมทรงตะโกนเสร็จก็พูดกับหมอว่าหมอเงียบเลยไม่ได้ยินเลยนะั่นคุณเดินเข้าไปใกล้เข้าอีกหน่อยนะไปหน้าไปหน้าห้องครัวเลยนะก็เรียกอีกนะสมทรงสมทรงแล้วแกก็พูดกับหมอไม่ได้ยินเสียงตอบเลยหมอขนาดอยู่ใกล้ขนาดนี้หมอเลยถามว่า แล้วพรรยาคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เขาหันหลังเขาคงกำลังกำลังผ่ากำลังทำครัวกำลังหั่นผักหั่นเตรียมของอทำอาหารอยู่มื้อเย็นนะงั้นคุณก็เข้าไปใกล้ๆเขาแล้วก็เรียกชื่อเข า, เขาก็ทาตามนะก็ไปเรียกชื่อปรากฏว่าก็ไม่ได้ยินเสียงตอบหมอเลยบอกงั้นคุณลอง นะจับตัวเขาเลยนะสัมผัสตัวคือเรียกเรียกชื่อแล้วก็ทําตามนะพอไปสัมผัสตัวแล้วก็เรียกชื่อบอกว่าทำนี้ได้ผลเลยนะภรรยาหันกลับมาแล้วก็ถามว่าคุณเป็นอะไรนะเรียกชื่อฉันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วฉันก็ตอบว่าว่าอย่างไงว่ายังไงทําง ไ, งทไมคุณเอาแต่เรียกชื่อฉันฉันถามว่าว่าอย่างไงว่าว่ายังไ ง, ง, ไงคุณก็ไม่ตอบสักทีตกลงใครหูว ต, ตึงใครหัหน่วงนะ ตัวเองหูตึงใช่ไหมได้ไม่ได้ยินเสียงภรรยาตอบก็ไปคิดว่าเขาหูตึงไปคิดว่าภรรยาหูตึงนะแต่ที่จริงตัวเองหูตึงมากกว่าไม่ได้มากกว่าแท้แท้เลยนะไม่ได้ยินเขาพูดก็ไม่ได้แปลว่าเขาหูตึงนะแต่เพราะตัวเองหูตึงมากกว่านะนี่เป็นเพราะว่าเป็นเป็นตัวอย่างคนที่ชอบนะเพ่งโทษคนอื่นนะก็เลย ไม่เห็นว่าปัญหานี่อยู่ที่ตัวเองแล้วปัญหาความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเพราะเห็นนี้มากแล้วก็ความไม่ใช่แค่ความขัดแย้งอย่างเดียวความทุกข์ด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นปัญหามีก็เลยไม่ได้แก้เมื่อสักสีห้าเดือนก่อนก็มีข่าวดารานักร้องชาวอังกฤษคนหนึ่ง แกมีลูกตัวเล็ ก, ลกๆนะสัก4ีห้าเดือนแกก็ใส่ใส่รถนะรถเข็นนะนะแล้วก็เดินไปตามถนนในกรุงลอนดอนระหว่างที่เดินนี่ก็เกิดมีโทรศัพท์ดังแกก็เลยนะรับโทรศัพท์แล้วคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ยืดเยื้อยาวนานมากระหว่างนั้นคงจะเพลีออยอาการ คุยโทรศัพท์บอกกัว่ า, าไปเข็นรถอีท่าไหนไม่รู้นะมันก็ล้มอ่ะนะรถ ล, ล้มคงไปสะดุดล้มอะไรสักอย่างเนี่ยนะเด็กก็ตกลงมาเลยนะเด็กตกลงมาจากรถเด็กตกลงมาแล้วเนี่ยแทนที่แกจะหยุดโทรศัพท์นะแกก็ยังคุยโทรศัพท์ต่อแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยนะอุ้มลูกขึ้นมาก็ยังอุ้มแบบ แบบทุลักทุเลก็มีคนไปถ่ายรูปนะเห็นนะว่าเห็นเห็นตอนที่กําลังจะปุ้มลูกขึ้นมาจากพื้นนะส่วนมือข้างนี้ก็ถือโทรศัพท์นะก็ทุลักทุเลอยู่พักใหญ่นะก็เลยมีคนเขาไป ไปลงขาวว่าเนี่ยว่าขนาดลูกนีล่ลงมานอนอยู่ที่พื้นแล้วนะก็ยังไม่หยุดโทรศัพท์อันนี้มันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราคงจะไม่ได้แปลกตาเท่าไหร่นะในเมืองเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้กันเยอะคือสนใจโทรศัพท์มากกว่าสนใจลูกแต่ว่าประเด็นมันไม่ใช่แค่นั้นนะพอมันเป็นข่าวขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ดาราคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์ นะแทนที่จะยอมรับผิดว่าเออเราเพลินกับการโทรศัพท์มากจนกระทั่งเข็นรถไม่ไ ม, ไม่ไม่ดูปันตามมาต่เรือก็ไปโทษนายุทศมันตรีกรุงลอนดอนว่าไม่รู้จักดูแลถนนให้ดีนะฟุตบาทนี่ปล่อยให้เป็นบ่ให้มีรอยขูดขรามีรูมีร่องไปได้แล้นะกนะ็โทษนะคนอื่นแทนที่จะหันกลับมาดูตัวเอง มันก็กลายเป็นที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจาร์มากขึ้นว่าขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับผิดติแต่ น, นี้มันไม่ใช่เป็นกรณียกเว้นนะมันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นทั่วไปคนเราพอมีความผิดพลาดขึ้นมาก็มักจะโทษคนอื่นสัญชาตญาณหรือว่านิสัยที่ที่โดยพฤติศาสสมมาทั้งโลกโลกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าหาว่าเขาหันกลับมาดูตัวเองนะก็จะยอมรับเออใช่นะัเราพลาดนะเป็นเพราะเรานี่แหละทําให้ลูกนะต้องมาเจ็บตัวเป็นเพราะเราไม่มีสตินะกับการเข็นรถนะบ่อยครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะเราไม่มีสติเป็นเพราะเราลืมตัวนะมันไม่ใช่ความขัดแยง้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเท่านั้นนะบางทีความทุก ไม่ใช่บางเสียส่วนใหญ่เลยความทุกข์นะที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรามักจะบ่อยครั้งเรามักจะไปโทษคนอื่นว่าคนอื่นทําให้เราทุกข์นะเพื่อรวมงานบ้างเจ้านายบ้างดินฟ้าอากาศบ้างนะจราจรในกรุงเทพบ้างนักการเมืองบ้างนะหรือว่าสามีภรรยาบ้างแต่เรามักจะไม่ค่อยมองตนมาเป็นเพราะเราเองหรือเปล่านะ ที่ที่วางใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ถูกต้อง <Okay. S 1> เสียงดังหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นมันไม่ทำให้เราทุกข์ได้หรอกถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ไปมัวจดจำกับคำพูดเหล่านั้นเอามาซ้ำเติมตัวเองถ้าส่วนใหญ่พอเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมา แทนที่เราจะกลับมาดูตัวเองว่านะเป็นพ่อเราเผลอสติไปเป็นพร่อเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นนะกลับไปโทษสิ่งอื่นเมื่อคงไม่ต่ายจากคนที่แบกของหนักนะแบกของหนักแล้วก็เหนื่อยก็เลยโทษไอ้ของที่แบกว่ามันหนักนะแต่ไม่ได้มองตัวเองว่าเในเมื่อมันหนักแล้วทำไมไม่ปล่อยนะของหนักก็จริงแต่ ถ้าเราไม่ไปแบกมันเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมอย่างที่เราสวดสวดเมื่อสักครู่นีนะขันทั้ง5้าเป็นของหนักเนอการแบกการสลัดทิ้งของหนักเป็นความสุขอย่างยิ่งของหนักในที่นี้เนี่ยก็ท่านก็รวมถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพู้นี่คือทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมแบกก็หนักนะนามธรรมแบกก็หนัก แต่ถ้าไม่แบกก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรของหนักมันก็หนักเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราจะให้มันเบาไม่มันก็ไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ทุกก็คือว่าไม่ต้องไปแบกมันเมื่อเราไม่ต้องแบกมันนะมันจะหนักแค่ไหนก็เป็นเรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วแต่บ่อยครั้งนี้เราชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเรา เราก็เลยทุกเพราะเราแบ ก, กเอาไว้มีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเขามาบ่นว่าช่วงนี้มีใครต่อใครมาปรึกษาเขาเยอะเลยนะคือเขาอยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่มานานเพราะนั้นก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ ก็มีใครต่อใครมาปรึกษามากทั้งทั้งคนที่ตั้งรกรากนะที่เมืองนอกหรือว่าผู้นักเรียนนอกนักเรียนไทยนะที่ไปเรียนที่ประเทศนั้นมาปรึกษาแกก็ทุกมากนะกับคําปรึกษาของผู้คนก็เลยแนะนําเข้าไปว่านะเวลา การที่รับคาปรึกษานี่เป็นของดีนะถูกแล้วล่ะที่เราควรจะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนแต่ว่าเวลาเราเรารับคำปรึกษาเนี่ยนะเราไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าหากว่าเราทำใจของเราเนี่ยเหมือนกับกระโถนก้นรั่วจริง ท, ที่จริงอันนี้เป็นไม่คำของตมาทีเดียวนะเป็นคาของอาจารย์กาพลอาจารย์กาพลนีนะ่มีคนมาปรึกษาหารือเยอะมากถ้าเป็นคนคนผิการนี่นะพิการตนะั้งแต่ เอวลงมาจิ d ไ ม, ม่เอวตั้งแต่คอเลยแหละตั้งแต่คอลงมาเลยแล้วก็ท่านสามารถที่จะเรียกว่าหลุดพาจิตหลุดจากความทุกข์ได้าทั้งที่ร่างกายก็ยังเหมือนเดิมคือพิการแต่ว่ามันพิการแต่กายแต่ใจไม่พิการใจไม่ทุกข์ถ้ามีความสุขมีความสดใสคนก็มาปรึกษาปรึกษาทั้งวัน นี่ท่านก็ไม่ได้ไปไหนแต่ท่านก็มีเคล็ดลับว่าก็ทําใจเหมือนกับกฏโถนก้นรั่วนะกฏโถนก้นรั่วนี่จะสายเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มนะเพราะว่าปล่อยหมดวางปล่อยหมดนะไม่เก็บเอาไว้แล้วก็ท่านก็มีหลักอยิยานี้ว่าปัญหาที่ที่คนมาปรึกษาเนี่ยให้เรารื่รู้ว่ามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา ส่ญญาที่ทุกข์เพราะว่าไปยึดว่าเป็นปัญหาของเราพอไปยึดว่าเป็นของเราเราก็ทุกข์เลยแต่ว่าถ้าเราไม่ยึดว่าเป็นของเราตอนไหนว่ามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็ไม่ทุกขนะ์แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ฟังอย่างใส่ใจนะัก็ฟังอย่างใส่ใจเพียงแค่ฟังอย่างใส่ใจนะแต่ว่าฟังแล้วผ่านฟังแล้วผ่านมันก็ สามารถจะช่วยเ้าได้เยอะแล้วเพราะอย่างน้อยก็เป็นโอกาสที้เขาได้ระบายหรือว่าทําให้เขาได้ได้ได้ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดบางทีไม่ต้องให้คําแนะนําอะไรกับเขานะเพียงแค่ฟังเขาด้วยความใส่ใจนี้ก็ช่วยเขาได้เยอะแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างคนที่แม้ว่าจะรับเรื่องราวต่างๆมามากมายนะแต่ว่าไม่ทุก นะเพราะว่าใจนี่ไม่ได้ยึดนะถือมันว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราไม่ใช่ใช่เฉพาะเรื่องราวของคนอื่นเท่านั้นนะเรื่องราวของเรางานการที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจตลอดจนความคิดฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ยึดนะมันก็ไม่ทุกข์นะ อารมณ์ที่เกิดขึ้นมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเช่นเดียวความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมามาแล้วก็ไปแต่เป็นเพราะเราไปยึดนะไปยึดไปไปแบกไออารมณ์เหล่านั้นเอาไว้รวมถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาที่มันไม่ถูกใจสิ่งที่เห็นนะที่ไม่ถูกใจแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นธรรมดา รับรู้ก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินก็แต่ว่าตรงข้ามกลับไปยึดมันเอาไว้อันนี้เราก็ไม่ต่างจากคนที่ไปแบกของหนักนะอย่าไปบ่นว่าของมันหนักนะแต่ต้องกลับมาดูตัวเองว่าแล้วเราแบกทําไมนะถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่ทุกข์จะไปจะไปขอร้องให้หินมันกลายเป็นเป็นลมหรือกลายเป็นกระดาษมันก็เป็นไปไม่ได้นะ แต่ว่าถ้าเราจะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราไม่ไปแบกมันไม่ไปแบกในที่นี้เนี่ยหมายถึงการแบกที่ใจนะแต่ไม่ได้แปลว่าปล่อยปะละเลยมีงานการที่ต้องรับผิดชอบก็ทําไปแต่ว่าใจนี่ไม่ได้แบกมันเอาไว้อันไหนเสร็จก็ ปล่อยให้มันผ่านเลยไปเอาใจมาอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันอันไหนที่ยังไม่มาก็ไม่มาเก็บมาคำหนึ่งไม่มาเอามาเป็นเครื่องกังวลใจมันก็จะช่วยลดความทุกข์ความหนักอกหนักใจไปได้ในการที่จะเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูใจของตัวนะเพราะถ้าไม่ดูใจเนี่ยมันไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่มีทางที่จะหลุดได้เพราะาใจมันชอบเผลอ ชอบเผลอไปแบกไปยึดเอาไว้คำพูดที่ไม่ถูกใจนะการกระทําที่ไม่ถูกใจมันผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีบางทียังเจ็บแค้นอยู่เลยเนะพราะอะไรเพราะไปแบกมันเอาไว้วางลงซะมันก็โนะปร่งเบาขึ้นมาได้อันนี้แหละคือสิ่งที่การศึกษาทางธรรมมันสามารถจะช่วยเราได้นะช่วยทาให้เรา นะมีจิตใจโปร่งโรคงเบาสบายสงบสันติถึงแม้ว่ายังมีงานการที่ต้องทำยังมีภาระที่งรบิดชอบแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องแบกเอาไว้ออแล้วก็พูดกันเท่านี้นะคำนี้กราบพระ